การทำกันนะหลังจากพวกเราได้สาทย่อยทำสืสันสนพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเจอล่องรอยแห่งธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้า แล้วก็มาแสดงออกให้เกิดขึ้นประกาศท่าทายให้ผู้คนต้องหลายได้ทราบว่าพระธรรมนี้ปฏิบัติได้จริงพระธรรมนี้ตัดไว้ดีแล้วผู้ขาดแล้วาบาปก็เป็นบาปบาปก็เป็นทุกข์ พราบนก็เป็นศกจริงๆแล้วชีวิตของเราก็สัมผัสตายปฏิบัติได้ปฏิบัติตามทำได้เล่นอาธรมได้แล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามคือหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอน <c oughs> <c oughs> แล้วน้อมไปปฏิบัติก็ได้ผลตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติในรูกยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นพ้นภาวะเก่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งพระโสราบานพระชกิท า, าคามีพระอน า, าคามีพระละหาน เพราะสมควรเฉยผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่สมควรก็มีคุณธรรมน้อยนี่เป็นตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมีร่องรอยแล้วพวกเราทั้งหลายก็ ร้างศรัทธาขึ้นบาต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสามัญชนเมื่อมาเมื่อปฏิบัติถูกก็ทำให้เป็นพุทธเจ้าขึ้นมาได้ภายในคืนเดียวว่าสงหูโชนผู้เชื่อฟังนำปรปฏิบัติก็ ก็ได้เหมือนกันดต่ยวิธีปฏิบัติเอาอย่างเอารอยพระพุทธเจ้านั่งคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเกียจขนออกรู้สึกตัวแล้วก็จะเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ <c oughs> <c oughs> จนมันคิด เวลานั่งอยู่ที่ต้นโพดาน น, นั่งคู่เชิญเข้าเยี่ยนออกรู้สึกตัวอยู่ความเคยคินนิสัยที่เคยคิดก็ ค, คิดถึงเพืมอพาคิดถึงลาหนุนอาจจะคิดถึงปรชาชญ์สารู ด, ดูแล้วกลับมารู้จักตัวนี่คือวิธีตามหลงที่ใดก็รู้ขึ้นมาทันที ให้ค่อยไม่เสียงเนาะหลงที่ใดก็ลูกขึ้นมาทันทีไอ้สัมผัสมีสติเป็นที่ตั้งมีสติเป็นเจ้าของเพื่อจะได้ใช้มั้นมีเงินในมือเพื่อจะได้ใข่าวจำเป็นเช่นหิวข้าวจะได้ซื้อข้าวกิน สติที่เป็นคุณธรรมเป็นอริยทรัพย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาสติคือความให้เกิดความความเป็นธรรมความหลงทําให้เกิดความเป็นอาธรรมแล้วก็นยัจนจนรวรูปมะก็ไม่จน เรามันหลงไม่จนต่อความหลงเกิดความรู้ขึ้นมาเรามันทุกข์ไม่ทุกข์ไม่จนต่อความทุกข์เกิดความรู้จกกกึกตัวขึ้นมาอะไรที่ไม่เป็นธรรมเปลี่ยนให้เป็นธรรมขึ้นมาตรงกันข้ามเหมือนหลังมือหน้ามือเกิดขึ้นกับเรา เราก็เห็นเองหลงเองต้องลู่เองทุกเองต้องลู่เองผิดเองต้องลู่เองสุขเองต้องลู่เองสงบก็ลู่เองพุ่งสร้างก็ลู่เองผิดถูกก็ลู่เองให้ความรู้จากตัวเป็นตัวเฉลยเป็นการฝึกให้เป็นทางไปชำนาญไป เปียนหลงเป็นรูไปเปลี่ยนผิดเป็นถูกไปเรื่อยๆไปก็จะชำนิชำนานแต่แรกก็จะง่ายที่จะหลงก็าฝึกไปฝึกไปก็ง่ายที่จะรู้เหมืเราเดินทางทางเดินจงกรมแต่แรกก็ไม่เป็นรอยไม่เป็นทาง เหยียบไปกลับไปกลับมาก็เป็นทางต่ให้เราได้เห็นว่าเป็นทางเดินจมกลมเป็นล่องลอยก็เดินสะดวกมากขึ้นเหยียบทางก็สะดวกกาเหยียบผิดทางการฝึกตนสอนตงก็เช่นกันแต่ก่อนหลงเป็นหลงไม่เคยเปลี่ยนเป็นรู ก็ไม่มีทางที่ทําให้เกิดรู้เกิดสติปัญญาขึ้นมาในคขาวนั้นถ้าหลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ยังเป็นหลงอยู่เรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปเป็นผิดเป็นโกรธเป็นวิตุกังวลเศร้าหมองเรื่อยไปไประสู่ความเคยเจ็บเจ็บตายเรื่อยไปเอียงไปทาง น, านั้นแถ้าเราเพ หลงทีไรก็เป็นรู้ซะอะไรที่เกิดขึ้นกับกากับใจเปลี่ยนมาเป็นรู้จะเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยเฉลยได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้จุ ด, ดานขึ้นมาแล้วจัดเกณฑ์แม่ยอมทุกข้างทุกข่าวโดยพระวิชากรรมฐ า, านเพียงพอ ก, กับการติจาร เตรียมพร้อมทุกวินาทีก็ว่าได้ผู้แขงเข้าหรือพลิกมือขึ้นรู้จึบยกมือขึ้นรู้จึบสิบสี่จังหวะสิบสี่รูแต่แล้วจังหวะไม่เกินก็วินาทีหรือช้ากว่านั่นไวกว่านั่นไม่มากเพียงพอต่อการเตรียมพร้อมแน่นหนามากผูขาดมาก วิชากรรมาฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์จะมาลายมาอย่างไรก็คือว่าก็ายกมือคลิกมือขึ้นรู้สึกกขใช่แล้วไม่ต้องเอาวิธีอื่นใดไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบาดอะไรมีการกระทําไม่เกิดขึ้นมากรรมาฐานตั้งต้นจากการกระทํามีที่ตั้งของการกระทํา ลหลุดไปก็กลับมาหาทีต่ตั้งนี้เรียกว่าพอเพียงพอเมื่อไม่มีที่ตั้งมีการกระทำขยันรู้วัยจะทุกวินาทีการขยันรู้เรียกว่าภาวนาเมื่อมีภาวนาขยันรู้มากขึ้นก็สู่วิปัสสนา ก้าวช่วยปัจจนาเมื่อเก้าถึงวิปัจจนาก็พ้นภาวะเก่าข้ามล่วงภาวะเก่าๆเกิดหลงก็เป็นรูเฉลี่แล้วเกิดทุกข์ก็เป็นรูเฉลี่แล้วตรงกันข้ามปฏิบัติตามธรรมให้มี กายมีใจเคยเป็นความเป็นธรรมขึ้นมานกาจะชีวิตของเราทั้งหมดในความเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ตรงกันข้ามอาธรรมก็ยมหมดไปเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นอกุศลก็หมดไปถ้อาอกุศลเกิดกุศลก็หมดไปช <c oughs> ีวิตของเราที่ผ่านมา ถึงปันนี้พูนนี้ตรงรู้สึกตัว ก, กับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันนักธรรมิกำตอบอยู่ในหัวใจว่าหลงมากกว่าเดีวเรามาเปิดใหม่ๆก็แสดงออกทางความหลงทุกรูปแบบเราก็จะได้สอนตัวเราทุกรูปแบบ ได้บทเรียนจากตัวเราทุกรูปแบบเปลี่ยนร้เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกทุกรูปแบบปฏิบัติได้ทุกรูปทุกแบบที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่แล้วก็สตินี่ไม่คุณเชดอกเองได้บทเรียนจากความผิดได้เป็นความถูกเป็นความหลงสอนให้เราเกิดความรู้สึกตัว ควมโกรธสอนนนเราไม่ความรู้จักตัวจอามทุกข์ทำให้เรเกิดไม่ความรู้จักตัวเราเปลี่ยนอย่างนี้เรียว่าปฏิบัติธรรมเรียว่ามีงานธรรมเมื่อธรรมอยนี้ก็จะมีงานเยอะแยะที่มันเกิดกับการกิดใจมันเคยใช่ชีวิตที่ผิดพาด มันก็มีร่องรอยอย่างความผิดพลาดเช่นความคิดมันเคยคิดอะไรได้แต่พื้นตะพื้นเป็นความคิดส้ำซอนเป็นโสเภณีจิตเป็นจิตที่ส้ำซอนเขาหิ้วไปคิดอะไรก็คิดได้แล้วก็จะได้ประสบการณ์กับความคิดแต่มากที่สุดแม้เรามีสติภายในกายมันก็ไปเห็นความคิดนั่นเลย มันเหล่ามีฐานก็จะเห็นค่าศึกมีใช้ภูมิที่เป็นนักลบที่มีใช้ภูมิดีก็เห็นค่าศึกย่อมไม่ใช้ชนะได้ก็จะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่มคิดที่ไม่ตั้งใจโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจ อันก็นรู้จึกตัวกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งอันกับที่ตั้งใจก็ไม่ควรคิดเอาไว้ก่อนตา น, นี่คือมาเดินจะกรมให้รู้สึกตัวแต่ละก้าวรู้สึกตัวแต่อมาคิดไป ก, กลับมารู้สึกตัวได้สอนตัวเองได้สอนใจ เมื่อจิตใจถูกสอนมากขึ้นมันก็รู้ตวานของจิตใจคือความคิดได้สอนมันซะก็เกิดความรู้ขึ้นมาได้บทเรียนเรื่อยไปความหลงได้ความรู้ความผิดได้ความรู้มันก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันผิดมันทุกข์แต่ก่อนเราหลงก็เป็นหลงโกอธก็เป็นโกรธทุกข์ก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นสุข พงศานก็เป็นพงศานหยุดไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นจำเกินว่าฝันกลงวันว่าคิดจำเคยเป็นควันกลางวันเป็นเปลวความคิดนานก็สนุกได้มีสติได้เห็นความคิดเองไดู่เฉกตัวอาศัยกรรมาฐานเป็นตีต่างกลับมาได้ ความหลงแท้ๆเป็นความลูกนี่บอกเปลี่ยนน้อยเป็นดีเลยไปเป็นดีเลยไปความชะไม่ชำ น, นาญความลูกสักทัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นความหลงก็จะน้อยลงน้อยลงหัวแสงจะสว่างมากขึ้นความมือก็หมดไปมันตรงกันข้ามสิ่งที่มันตรงกันข้ามย่อมทําได้ง่ายไม่ค่อยจน โดยเพราะสิ่งที่เกิดกับกากับใจเหล่านี้มันมีตรงกันข้ามของที่มันตรงกันข้ามเห็นง่ายเห็นกันทุกคนแม้แต่โจรถ้ามันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีถ้ามันหลงความไม่หลงก็มีถ้ามันโกรธควไม่โกรธก็มีไม่จะชำนาญไปชำนาญทางไป เมอมันชำนาญ่าขึ้นก็เห็นความเกิดก็ไม่เกิดก็ต้องมีเห็นความเจ็บความไม่เจ็บเห็นความทุกข์ความไม่ทุกข์เห็นความเจ็บความไม่เจ็บเห็นความตายควไม่ตายมันตรงกันข้ามไปมันเป็นโจทย์ชีวิตของเราความเจ็บความเจ็บความตายเห็นสิงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นความไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกข์ของมันเมื่อมันเป็นทุกข์กข็ไม่ใช่ตัวตนเราเคยเอาความโกรธเป็นตัวเป็นตนตอนทั้งที่มันไม่เที่ยงทั้งทั้ที่มันไม่ใช่ตัวตนถ้าเราได้โกรธก็เถอถ้ากรได้โกรธตายไม่ลืมไปคิดแบบนัน่นไปยึดหวัดนัน่นก็ถูกความโกรธลงโทษเราเสียเปียบของโกรธ เสียเปลียบความทุกข์เสียเผลียบความหลงเสียเปรียบอะไรทุกอย่างที่เกิดจากความคิดบางท่านที่ไม่เป็นตัวเป็นตนคี้เกื้อมานอนไม่หลอบขี้เกื้อมาจินข้าวไม่ลงขี้เกื้มาน้ําตาไหลกื้อมมาเพราะว่าเ ก, ก่ข้าตัวตายก็คนอื่นทํารอยเป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นธรรมต่อตัวเองไม่เป็นธรรมต่อคนอื่นถือจากความคิด จึงสอนตัวเราเธอๆมีงานให้ทำน่มาที่นี่มีงานให้ทำคืกรรมฐานไอ้ใช้เวลาสวนตัวสวนตัวให้มากเต้นขึ้นมาก็พาทมวัดสวนวนว่าเพระเพื่อล้างล้างบาปให้รู้จักเนื้อหาสาระสร้างสถาขึ้นมาเมื่อมีสตา ก, ก็เป็นทุนแล้ว จะได้มีความเพียรเอาอย่างตามรอยพุทธเจ้าแล้วก็มาสวดสัธย์ใจบทพิเศ ษ, ษ, ษจึงเป็นพระโอษของพระทธเจ้าออกจากพระโอษครั้งแรกอุทานออกมาคนเดียว แต่ก่อนไม่มีมเสถีิรไม่มียานคือความรู้จักตัวได้ร่อนทั้งได้เล่น ท, ท่องเที่ยวไปสงสารเป็นอนเนกาชาติคิดได้คิดดีวิกตกกังวล น, นับไ่ทวนถือได้ยินได้ฟังเคยได้ศึกษาเราเรียนเคยได้คิดหะไรทึ่งเป็นเจ้าฟ้าชายก็คิด ไม่ใช่หมายคิดต่างใจเราเรียนมาสิจบสิเศาสตร์แต่เมื่อเห็นความเกิดความเกลยดความเกลียควา ม, วา ม, วามตายวิชาที่เรียนมาตอบไม่ได้ตามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระชตาพระเจ้าญ า, า, าก็ตอบให้ไม่ได้จะเป็นโจรตัวเอง ครตอบเรื่องนี้ความรู้ที่เรียนว่าเช่นความโกรธมันไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีแต่มันยังโกรธอยู่ความทุกข์มันไม่ดีถามไครก็ไม่ดีตอบได้ว่าไม่ดีแต่ยังทุกข์อยู่วิชาความรู้ที่จอมามาเช่อย่างนี้ไม่ใช่ม่ได้ ยังหาวิธีตอบโจทย์นี้ได้วิพากษาเรื่องนี้ได้แต่เราก็ตกเป็นจำเลยหลงที่ไใดก็หลงทุกทีทุกทีใก็ทุกทุกทีเหมือนกับว่าเป็นใหญ่เราเป็นจำเลยของความหลงความทุกข์เรช่อยความหลงความทุกข์ควาโกรธควาโลภความหลงความพอใจความไม่พอใจควาถึงือนเดือดร้อนและคนอื่นเดือร้อนจึงหาขคำตอบอยงนี้ ก็มาศึกษาเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอาติเป็นนักศึกษามาดูวันจีมีที่ตั้งไว้หลังที่เราทมตามอยู่นี่มาทาตามมาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมา พระพุทธองค์ก็บอกหมดแต่ก่อนไม่มียานเล่นท่องเที่ยวในสงสารเป็นกัาชาบัดนี่เรากลับมาได้เห็นแล้วเห็นเขียนเห็นปรจแจงโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหากเขียนแล้วยอดเรือนก็ลื่อได้แล้ว กิจที่เคยพงแต่งก็หยุดเป็นก็อุทานออมาในใจจนเจ้าจะทาอะไรให้เรามาได้ต่อไปเวลาหลงลูขึ้นมายิ่งใจทวมหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องเป็นธรรมที่สุดทวมทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องที่สุดทวงโกดไม่ถูกต้องความ ไม่โกดถูกต้องทึงสุดเรามีสิทธิมีสิทธิร้อยเปอร์เซนเรายิ่งใหญ่เรื่องนี้มาร้อยเป็นดีทั้งหมดแล้วต้องขอญ า, จจาติจะใครบัดนี้หักกงเรือนลวงดาวสิทธิของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาวงพ้นพระว่าเก่าพอได้ทำเป็นทำเป็น ไม่ใช่ลู่เหมือนเมื่อเหมือนศึกษาจบเจ็ดศาสตร์แบ น, นี้เหมือนทาเป็นการทาให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเราเองก็เดือนสอนให้ก็ได้มีแต่ตัวเราสอนตัวเราสนุกสอนตัวเรากรรมฐ า, านดิได้สอนตัวเราดีวันดีคืนขึ้นมา เห็นกระแสแห่งพระนิพานได้ใช้เวลามันหลงมันมีความรู้ขึ้นมากระแสภายในิ่านเมื่อเห็นกระแสภายในิพานก็ขยันตามไปขยันตามไปเหมือนกับริบบี่แต่ออกไปทางนั่นแหละมันไม่ใช่มืดเสมอไปชีวิตเราเมื่อมีความรู้ตัวก็เป็นแสงริบบี่แหวกออกไป ถามออกไปไมันจะค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นเห็นทางขึ้นตอบได้เลยสัจธรรมตอบได้เลยร่วมหลงไม่กิงความไม่หลงจริงเป็นสัจธรรมไม่มีคําถามคนอื่นตอบไม่ ไ, ได้ทุกคนต้องตอบได้เองเป็นปัจจิตตังของผู้ปฏิบัตินี่ชีตี้อย่างนี้ เรามาใชาติตทีิเพื่อชีวิตของเราชีวิตของเรามาต่อยอดขึ้นมาจากสิ่งที่ผิดถ้าไม่ผิดมันก็ไม่มีทุกข์ถ้าไม่มไ ม, ม, ถไ ม, ม่ถ้าไม่มีทุกข์ความพ้นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเพราะมีทุกข์ที่พ้นทุกข์จึงเป็นพระพุทธเจ้าทุกข์ท่องกลวง จึงพ้นพุทพ้นทุกข้องขวงจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าก็มาได้เกิดขึ้นมาเห็นทุกข์เห็นของจริงการประเสริฐเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นของจริงอันประเสริฐเห็นทำวิธีทําให้เกิดความเป็นทุกข์เห็นของจริงอันประเสริฐวิธีดําเนินทางที่ทำให้เกิดความเป็นทุกข์เป็นของจริงการประเสริฐ ว่าแล้วก็มีเหตุกับผล <c oughs> ทุกเป็นผลหลงเป็นเหตุตัวใหญ่มันคือตัวหลงถ้าเป็นอกุศลสามลากเง่าของอกุศลหมูลไม่สามโทพระโทสามโมหะโมหะเป็นตัวใหญ่เป็นงานดาของอกุศลทั้งหมด เดิมต้นที่ความลง <c oughs> อกุศนคือโมหะเป็นมารดาของอากุศนเมื่อมี เ, เมื่อมีอาคุนมูลอากุศลอื่นที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นโหดีกับกบบรรมฐานปรับตัวกับสตมีสติก็ตรงกับความหลงปรับตัวนี่เลยทีเดียว โชวขึ้นมาตัวนี้ทีเดียวทำย่อมชนะธรรมอยู่เสมอตัวฐ า, านก็ปรับเข้าในไปเมื่อมีลาเก้าวีรวามหลงเป็นมารดาของอกุศลคมรู้จักตัวก็ปรับตนหลงไปทำไมจึงหลงเพราะไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญ พอให้กลมหลงเว้นตาในชีวิตเราเท่าไหรเท่าไหรตาก็หลงได้หูก็หลงได้แกมูกก็หลงได้เล่นก็หลงได้กายก็หลงได้ใจก็หลงได้เ <c oughs> ตดบุหรีเตดเหล้าตาก็ติดลูกหูก็ติดเสียงเห็นลูกพอใจไม่พอใจนั่นความหลงใช่ ใช้ชีวิตเราได้เย็นเสียงพอใจไม่พอใจนั่นความโลภได้แล้วจมูกได้กินพอใจไม่พอใจนั่นความโลภไดาแล้วความคิดนึกขึ้นมาความหลงจกบคิดไปใช่เราส้ำสอนเรามันจึงเป็นใหญ่ไปหลงทุกข์รูปแบมวิธีปฏิบัติ โอและเอยียดจริงๆมีจัติไปในกายอยเป็นประจอมนี้รูเฉงเข้าเหยืยเฉาออกมีความเพียรเครื่องเผาเจลี่ใส่ใจใส่ใจที่จะรู้อยู่ใส่ใจอยู่นี่สิบสีจังหวะรู้ทุกจังหวะเรียบว่าความเพียรแล้วก็มีจิติ ตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกเสียไดย้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาถอนออกมามาลู่จกตัวเนี่ยก็จะเห็นเวทนาจากเวทนาเห็นจิตเสวาจิตไม่ใช่ว่วไม่ใช่ว่ามันยิ่งใหญ่สติยิ่งใหญ่เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ควบคุมกายวาจาใจได้ ถาไม่มีสติเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่จมูกก็เป็นใหญ่ลิ้นก็เป็นใหญ่กายก็เป็นใหญ่ใจก็เป็นใหญ่ถ้ามีสติอินทรีย์อิ น, อนทรีย์ตัวใหญ่ควบคุมได้เป็นการสํารวมลมอัันตีมีสติก็ละความชั่วทันทีมีสติก็ทำความดีทันทีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันตี เออเป็นาความชั่วก็เป็นศินทันทีศินกับจัจิเลิทันทีวิสติก็ทําความดีก็เป็นสมาธิปัญญาเปลี่ยนหลงเป็นรูเลยผิดเป็นลูกถูกผิ ด, ผดได้ขนาดเปี่ยนเป็นรูเป็นตัวจุดท้ายตัวปัญญากลับมากลับมามีความเปียนตั้งไว้มิจติงานเพียงพอทําได้ทุกคนก็ทําทถูกมันเหมือนกันกบปิ้งคุกหลงเขา ถ้าทำผิดเหมืนกลิ้งโคกขึ้นเขากรรมาฐานนี่ปฏิบัติได้ให้ผลได้มั่นใจมั่นจะจริงๆนี่มันเกิดขึ้นกว่าเห็นดอนชีดอนเห็นกายจักระกายว่าเห็นตัวเป็นตนจริงใดที่เกิดกับกายนี่ไม่มาเป็นตัวเป็นตนเห็นมันเป็นกายเป็นรูปมันรอดก็ธรรมชาติตอง ของกายของลูกมันหนาวก็เป็นธรรมชาติของกายของลูกมันหิวก็เป็นธรรมชาติของกายของลูกแต่รูปมันร้อนไม่เป็นหนาวไม่เป็นหิวไม่เป็นยุงกัดไม่รู้จะเก็บก็ไม่ใช่ลูกมันมีลูกมีนามเป็นอาการไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์สัจธรรว่าสัจธรรว่ากายบางทีเรากรมหิวมาเป็นตัวเป็นตนกรมหิวเกิดกับกายกับลูก เพราะมันขาดอาหารในหลอมใช่นะ้อยเกะเพาะเผยความหิวน่าจะดีใจน่าจะขอบคุณความหิวแต่เราไม่รู้เอามาเป็นทุกข์เราหิวข้าวก็ใจก็เปาะ ก, ก็บางโกรธให้ใจสั่นใจหิวไปให้ความหิวเป็นตัวปรุงการเป็นทุกเป็นทุกข์ผู้ความหิวไม่เป็นทุกข์วาหิวให้ดีใจ วันหิวแสดงว่าดีแล้วสุขภาพดีแล้ววันไดกินวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้กินหรือไม่มีอะไรกินก็ดื่มน้ำลงไปไม่ต้องไปทุกข์ใจเป็นเรื่องของลูกอย่าให้ลูกเบีเ่เบียนใจอย่าให้ใจเบียดเบียนลูกอย่าให้ลูกเบียดเบียนน้ำอย่าให้น้ำเบียดเบียนลูกแต่ก่อนมันเบียดเบียนกันไม่เป็นธรรมต่อกันเลย น้ำเปลี่ยนรูปรูปเปลี่ยนนาำกะโกรธรูปโกรธกิกกนข้าวไม่ลงนอมไม่หลับกิบปวดที่กายที่รูปใจก็วิตุขังวนสมองคิดหนักขงังวนลงลุ่มก็ไปทั้งรูปทั้งดา ง, ล, า ง, างลงโทษกันคิดกัด ต, ต่อตัวเองให้เจ็บปวด คิดแบบกัดต่อทั้งเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดน้องตาไหลลงโทษลูกนามลงโทษลูกคิดจะทำให้ลูกเป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์เจ็บปวดหิวข้าวไปลงโทษนามทําให้นามเป็นทุกข์ใจเปาะใจโสใจวางศึกหัวข้าก็เกิดขึ้นได้ความหิวเกิดขึ้นเป็นศึกของขามได้ เพราะนั่นนี่ว่มามีสติจะเกิดความไ่ทำขึ้นมาระหว่างโลกกับนามเนะ น, น, นี่ะดีกรรมฐานนีได้ความไท่ทาโอ้เื่นใจได้เปลี่ยนได้สอนกายสอนใจเราสอนได้ทั้งหมดจึงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ถ้า ต, ตัวสติท้ามีสติแล้วสอนได้ทั้งหมดไม่ยากปฏิบัติตามธรรม ไม้เบื้องโทนพทธเจ้าเผยแพ่ศาสนามีคำสอนน้อยน้อยไม่มากจงถัดเช่นให้การบวชเพิกษุให้การบวชคุลบุตรเธอจงเป็นพิกษุมาเถิดทำเราตัดไปแล้วจงปฏิบัติตามทำนั่นเถิดจงปฏิบัติตามทำให้เป็นที่ชิ่นทุกเถิด ปฏิบัติตามธรรมให้เป็นทศเชืนถูกเถิดอย่าปฏิบัติตามอาธรรมถ้าเป็นอาธรรมก็ผิดถ้าเป็นธรรมก็ถูกมันเกิดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยผู้บวชมาก็ปฏิบัติอย่างนี้เพิมหลงไม่เป็นธรรมเพิม่มรู้จากตัวเป็นธรรมวิไนวิคือวิเศษนำไปสู่การวิเศษเรียกว่าวิไน ตองปฏิบัติตามทํามในไหนวันหลงมีธรวิในคือรู้สึกตัวพ้นจากความหลงหลุดพ้นจากความหลงพิเศษขั้วหลงส้มผ่าตัวแล้วถูกต้องถูกจุดเกิดความขยันขึ้นมาเป็นชีวิตจิตใจที่ยอดใหม่ต่อยอดจาความหลงกป็ความรู้ต่อยอดจาความทุกข์เป็นความรู้ โดยโยกจากความผิดเป็นความรู้โดยปัญหาเป็นความรู้ปัญหาเป็นปัญญาได้ผุดเรียนอย่างมากมายที่เกิดจากกายจากเ จ, จเรานี่ว่าจะมีจิตโหท่ า, าทาในธรรมนี่ผูกขาดผูกขาดชีวิตของเราแล้วผิดถูกอยู่ที่นี่อยู่ที่กาที่ใจที่รูปที่นามนี่ผิดถูกเราเห็นเอง มีว่าแต่มีสติให้ใช้ใจลองดูที่ปฏิบัติให้มีโอกาสได้พลเรียนจากตัวเองแล้วก็เป็นเม่เป็นเพื่อนกันเองชอบกันมาก็พาทบทวนบนไหว้พระแล้วก็มีครูอาจารย์นำพาปฏิบัติแต่วเวลาไปขอปราชันก็ไปเจ็ดโมงครึง่งมีคนทำอาหารไว้ให้กิน เราพยายามให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติให้ทำอย่างอื่นทีนี่ไม่ใช่มาทำอย่างอื่นไม่มาฝึกกรรมฐ า, านตรงสนามเพื่กากรไม่ใช่มาเรียนรู้ทำให้มันเป็นในการฝึกครับไม่เป็ น, รรปนไม่ใช่รู้สอนให้เป็นตัวเราต้องสอนคนอื่นสอนให้ไปได้ไม่มีมหาวิเลยไหนสอนให้เรา ทำเป็นได้แต่เราเนีสอนตัวเราเองกาสอนในโลกมีจบมากันดัง น, นัน้นการในโลกนี้มีทั่วไปสอนให้เป็นตัวเราเองสอนตัวเราเี่เรามันหลงรู้จักตัวขึ้นมาที่เราทุกมันคิดไปกับมารู้จักตัวขึ้นไปทำอย่างนี้ที่ว่าฝึกกรรมฐ า, านแต่ไม่พาหลงเทศหลงทางถ้าฝึกอย่างนี้มีรลายเกิดขึ้นก็ถาม เหยา่อจา์ทรงสิน า, ารย์สอจานสมีหลายรูปที่นิ้งตาก็อยู่นี่เป็นเพื่อนพป็มิตรกันอยู่นี่ใน่กวนใจเถอะนี่ประเทศไทยเราคนไทยศาสนาพูดแบบไทยพระสง์แบบไ ท, ทยไทยวัดแบบไ ท, ทยไทย สิ่ที่อยู่ที่วัดนี่สถานที่นี่เป็นสมบัติของคนไทยแม้จะไม่กระติสาลามีเราอยู่ที่นี่อาหารการกินเป็นสุดที่นางออกจากหัวใจของคนไทยสุดที่นางสาราทนี้สุดที่นางนั่นก็คนหนึ่งนั่งสโจมเมีงนั่งสุดที่นางมาสร้างสาราต่อไปเรื่อยแต่เนื้สุดที่นางจากหัวใจคนไทยมันของเราทั้งหมด ที่เศรมาอยู่นี่ร้อยเปอร์เซนต้องขอญาติค่ะจากงานเมื่อไหร่ก็มามาแล้วก็มาบอกสำนักงานนั่นสำนงานตั้งไว้ที่หน้าวัด น, นั่นประตูวัด น, นั่นประตูจุลิตรานั่นว่าจะมาอยู่นี่ผู้ที่อยู่ที่นั่นทั้งว่าอธิการเจ้าอธิการเจ้าอธิการเสนาสนะ เจ้าการคางให้ที่นอนหมอนมุง้งให้กติให้คุณเจอแต่เป็นผู้หญิงก็อยู่เถิดนั่นแต่เป็นพระเป็นยมก็อยู่เถิดนึกแต่พะเจิผู้หญิงนี่เป็นเจิดที่ไม่เปี่ยวอยู่กันได้ไม่มีอะไรตั้งมาแล้วสี่สาปีวันนี้สี่ปี ไม่เคยมีปัญหามีจฉางูจงอ้างงู <laughs> ้ห่ <c oughs> เวลานี่นะดีกติหลงตามันมีไก่ไม่ลงก่อนมีรุูกหกตัวลูกน้อยแล้วด้วยช่วยมันยังไงสองสยแม่มันจะงูกัดตายงูห่มันชอบมองมุดเวลาไก่ตัวเมียเนี่ยน่าสงสารมาก แล้วมันมีลูกมันกขึ้นต้นมไม้เวลาจะนอนกกลูกคลูกกับดินแล้ยังหงหัวจกเห็นลูกมันได้อกลางคืนนะแล้วมื่อก็แม่มก็ปีบียตีปึ๊บปึปึหมูกัดหมูก็เลยกัดหมูกัดก็ดกดกดตายเดี๋ยวนี้ได้กินเม็นๆอยู่ําลังหาอยู่หาไม่เจอตาไว้ดีได้กลิ่นเหม็นแถวกระดีไปนะนะแต่ลูกไก่ตัวเจี๊ยบมื อ, มอ เมื่อก่อนนี่เห็นหตัวเมื่อวานเห็นสามตัวให้รู้ชีวิตยงไงอันนั้นนี่ก็สัตว์มีงูจงอางงูเห่าบคืนมีไฟฉายจะลุกดีลุกโดนอยู่ที่นี่ตูที่อ่ะกระตีที่อยู่จะให้มีของผมของอยู่ของกินนี่ของอยู่ของกินแล้วหนูมันได้กินอาหารก็ไปหาจิน อาหารที่กติหนูไปอยู่กติงูได้กินก็ได้กินหนูอะบเล่นหากินอย่างนี้งูมันได้กินนั่งว่างูงูอยู่กติงูก็ไปหากินหนูแล้ไม่รู้ก็ไปจะไปไปทําให้งูตกใจงูกัดต่อได้ค่อยไปค่อยมาที่อยู่อย่าให้จบปลุกเราเถอะของนจะหมักหมม เป็นกองกระดาษจะให้ตั้งอยู่เกินอาทิตย์หนึง่งต้องเคลื่อนย้ายถ้าของไหนที่ตั้งอยู่อาทิตย์หนึง่งไม่ได้เคลื่อนย้ายสัตว์บางประเทศเทศ ง, งูไว้ใช้ไปอยู่ได้ลูกอย่าให้หมอผมเขา อ, อยู่ผมกินใหอะมีถ้ามีก็ไม่คิดใช่ไหมอดีตหรือตนนี้เนาะ